บุกทูยี่สิบสองดวายตวอดวาการสนทนาสามมัลรัสกวรทรีคุณสูบบุหรี่ไหมครับพุชิเอล ูชิตลผมเคยสูบครับป ано, ูรานดาปรานดาแต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วโนเซกาเนปูชัมโเวนเซกปูชัปวกรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่คเควิเปริลี อยส์ูชเควิอคยส์ูชัมไม่เลยครับนวตนวตมันไม่ได้รบกวนผมครับน่ิคุณจะดื่มอะไรไหมครับ คุบรับนดีไหมครับเอเคเอเคไม่ครับผมชอบเบียมากกว่าดนพดรอนพิวคุณเดินทางบ่อยไหมครับ н ัตุว่าเทลิมโนกุบ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจแต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Но сега сме о в ม е на о ว м о р ณ์ณอร้อนอะไรอย่างนี้คักว่ากุริชตีน่าคั г ว่ากุริใช่วันนี้ร้อนจริงๆริง н ่าเดเราไปที่ระเบียงกันเถอะ กบัพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ พวกเราได้รับเชิญด้วยด่อันนี้อิสตตากาสเมปกาเนิติด่อันนี้อิสตตากาสเมปกาเนิติ